เรื่องธรรมะของพระพุทธเจ้าถ้าให้พูดตามหลักทมจริงๆแล้วโลกอย่างกิเลสนี้ฟังไม่ได้นะคือมันตีหั ว, หวหกิเลสเพราะฉะนั้นโลกที่มีโลกที่มีกิเลสจึงฟังไม่ได้ยังยับยับออกเท่านั้นก็ว่าหยาบว่าโลนว่าเผ็ดว่าร้อน เขาหารู้ไหมว่าสิ่งเหล่านี้คือเครื่องสังหารกิเลสเขาไม่รู้นี่เลยเขาไม่รู้กับมายกันว่ากิเลสมันไม่มันไม่ยอมรับยอมรับแต่เรื่องของกิเลสนิ่มนวลอ่อนหวานแผลรอบเพราะเพียงเท่าไหร่เป็นเรื่องของกิเลสและกิเลสชอบอย่างนั้นโลกอันนี้จึงนิ่มนวลอ่อนหวานในกิริยามารยาทการแสดงออกต่อกัน เป็นผีผิวเผลอเผลประดับร้านแต่ละความจริงแล้วในหัวใจดวงหนึ่งๆ น, นั้นมีแต่ฟืนแต่ไฟมันบีบมันเผามันไหมอยู่ตลอดเวลาสุมอยู่เช่นนั้นไม่ว่าจิต ด, ดวงใดไม่เลือกวาสัตว์ว่าบุคคลชาติชั้นวันนะเพราะกิเลส ต, ตัวนี้ไม่เลือกอยู่ได้ทุกดวงใจ ทำงานของตัวได้ทุกดวงใจเมื่อเป็นจชนั้นสัตว์โลกกับเราจึงไม่แตกต่างกันอะไรที่แตกต่างกันก็มีแต่กิริยาแห่งสมมุติที่นํามาใช้เป็นการพูดการจาอะไรอย่างนี้มันต่างกันกับสัตว์บางสัตว์เขาไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ได้ยินเสียงเขาพูดว่ายังไงแล้วดังที่เขามีภาษาของเขาเหมือนกันกิริยาเขาบอกกัน แต่มนุษย์เรานี่มีภาษาความทุกข์ร้อนที่เป็นประจำอยู่ในโลกดินแดนนี่ก็เพราะกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีเพราะอะไรที่นี่โลกไม่เห็นนั่นสิมันสำคัญโลกโลกไม่เห็นโลกให้รู้โลกถือว่าเป็นสมบัติของตัวเองไปเสียหมดเลยมันก็แยกกันไม่ออกกับสิ่งเหล่านี้ ส่วนพระพุทธเจ้าพระหรันท่านท่านแยกออกแล้วยังสังหารด้วยทำลายด้วยทำลายแล้วอยู่ในหัวใจดวงใดท่านก็แยกได้ทั้งนั้นแยกได้แยกได้อันไหนส่วนดีส่วนชั่วผิดถูกอะไรเป็นธรรมอะไรเป็นกิเลสนี้พอเวลาสรุปลงไปแล้วมันก็มีแต่กิเลสเต็มหัวใจเต็มหัวใจหน่าสะดุดสังเวท ธรรมะของพระพุทธเจ้าถ้าจะนำมาแสดงเป็นธรรมแก้กิเลสจริงๆให้มุดให้มอดให้สงบโยกเงียบลงไปจากใจนี้โลกฟังไม่ได้เพราะโลกนี้เป็นโลกของกิเลสเป็น่าสึกต่อธรรมจึงไม่ยอมฟังไม่ยอมรับด้วยเหตุนี้เราที่เป็นคลังแห่งกิเลสเวลาได้ยินเสียงอัดเสียงธรรมพูดมี นักเบามากน้อยดุด่าว่าข่าวเป็นกิริยาคำรามกิเลสหรือปราบปราบกิเลสแก่กิเลสหรือพูดตามเรื่องความจริงของมัน ก, ก็ว่าดุด่าว่าข่าวว่าเผ็ดว่าร้อนว่าหยาบว่าลวนไปเสียล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของกิเลสต้านทานทำทั้งนั้นอี่พราะฉะนั้นเึงว่าเราจะเทศสอน โลกที่มีกิเลสนี้เหมือนถึิมพระพุทธเจ้าท่าน <c oughs> ถึงอิทนาละอาใจนอกจากเป็นลา ย, ลายมาที่ออกมาอยู่ปากครอบพอที่จะหลุดพ้นไปได้ท่านก็ถุดออกฉุดออกอันไหนที่อยู่ในครอบนอนจมอยู่กับกิเลสท่านก็หมดวิสุดวิสัยยิงทอดอะไร เี่อจีทรงทอว่าไทยทรงทอดโดยความรู้ความเห็นสัตว์ทั้งหลายจริงๆเห็นโทษของกิเลสจริงๆเห็นคุณค่าของธรรมซึ่งเป็นเครื่องถอดถอนกิเลสจริงๆท่านแสดงออกทุกอย่างจริงทุกอย่างเพราะท่านรู้ด้วยจริงความจริงทั้งนั้นนี้โลกไม่รู้โลกไม่เห็นจะตําหนิเขาก็ไม่ได้นะเขาไม่รู้เพราะเครื่องกล่อมอันนี้มันกล่อมสนิทมากที่สุดเลยไม่ โรครายใดรู้เลยละ่ะว่ามันเป็นกิเลสว่ามันเป็นภัยมีแต่เป็นเราเป็นของเราเสียทั้งนั้นหมดทั้งตัวกิเลสเป็นเราหมดเป็นของเราหมดทีนี้ก็ไม่ทราบจะไปแยกอะไรก็ไม่รู้วิธีจะแยกไม่รู้ว่าอะไรเป็นกิเลสอะไรเป็นธรรมมีแต่เราทั้งหมดเต็มตัวเต็มตั ว, ตต ว, ตตวเนี่ยมันแทะขนาดนั้นละ่ะเราไม่รู้เวลาชำระไปนู่น มันถึงได้รู้กันไม่รู้เอาน้ำคำพูดเหล่านี้มาแสดงโลกได้อย่างไรพระพุทธเจ้าอันนําสิ่งที่ทรงรู้ทรงเห็นแล้วดังนั้นมาสอนโลกแต่โลกมันไม่รู้มันทรงท่อภาษาไทยมันหนาขนาดนั้นนะโลกเราเฉพาะอย่างยิ่งกับโลกมนุษย์โลกมนุษย์นี่หนามากพูดไม่ยอมฟังเสียงธรรมเลย ถ้าเป็นเรื่องเสียงของกิเลสเนี่ยไม่พูดก็ฟังเรื่องของกิเลสไม่จำเป็นต้องพูดดันออกให้ทาดันออกให้พูดดันออกให้คิดต่างๆไปหมดตลอดถ้าเป็นเรื่องของกิเลสเป็นอย่างนั้นจึงเป็นที่ท่อใจนี่เพียงเราตัวเท่าหนูนี่ก็มันเป็นนะ เวลามันปิดมันกั้นมันไม่ไม่รู้จริงๆว่าเหมือนกับใครๆทั้งหลายทั่วโลกดินแดนไม่รู้ไม่เลยคิดมีแง่ใดพอที่จะว่าอันนั้นดีอันนี้ชั่วอันนั้นเป็นกิเลสอันนี้เป็นธรรมไม่รู้นี่ต่เราเราเราด้วยอำ น, นาจของกิเลสเป็นเราเป็นของเราเป็นเราทั้งตัวเลยัก็ไม่รู้ <c oughs> เวลาปฏิบัติค่อยคลี่คลายออกไปคลี่คลายออกไปเริ่มต้นตั้งแต่ จิตมีความสงบมีเริ่มต้นจะรู้เรื่องบ้างว่าเรื่องทําเป็นยังไงพองจิตสงบก็เห็นโทษในความฟุ้งซ่านวุ่นวายก่อกวนตัวเองถ้าไม่สงบไม่รู้เพราะจิตสงบความสงบของจิตมันต่างกันกับความฟุ้งซ่านให้คุณต่างกันความ ส้างวุ่นวายมีแต่โทษแต่กรรมมีแต่ความทุกข์ความทรมานเพียงเขา้เขาขั้นสมาธินี้ก็รู้เริ่มเห็นอะไรนี่เริ่มพอใจผู้มีจมิตสงบย่อมเริ่มพอใจในความเพียรความเพียรก็เพื่อชําระกิเลสอันเป็นตัวโทษตัวภัยนั่นแหละจะเป็นอะไรไปเริ่มพอใจพอใจไปเรื่อยเรื่อย มีผู้แนะนำตั้งสอนตั้งด้านปัญญาก็พิจารณาคลี่คายปัญญาตอนจิตที่สงบแนบแน่นดีนี่กิเลสก็เข้าสร้างบ้านสร้างเรือนอยู่ในนั้นไม่รู้ตัวนะคําว่าติดสมาธิก็คือติดกิเลสนั่นเองจะไปติดอะไรกิเลสแฝงทำแฝงอย่างนั้นมันเห็นอย่างนั้นนี่ผู้ปฏิบัติ เราจะว่าแต่สมาธิเป็นธรรมอย่างเดียวอย่างเดียวไม่ได้ถ้าเป็นธรรมอย่างเดียวสมาธิจะก้าวตัวเองออกไปโดยลำดับจนถึงขั้นวิมุตตดดุดพพนเรื่องปัญญาไม่ต้องถามจะพุ่งซะ ก, กันเลยนี่ไม่ไปนะติดอยู่ในนั้นนั่นกิเลสทแทรทมแทกให้ติดให้จมเพราะความสุขโลกามิตรอันนี้เรื่องความสุขเพียงสมาธินี่มันเป็นโลกเต็มตัวอยู่ในนั้น เพียงสงบกระแสของกิจเข้ามาได้ชั่วระยะการเท่านั้นเพราะว่าเป็นความสุขแล้วก็ติดอยู่ในนั้นเสียกิเลสสร้างบ้านสร้างเรือนอยู่ในนั้นไม่รู้เพราะนั้นจึงต้องมีปัญญาขั้นปัญญานี้เป็นขั้นสําคัญมากทีเดียวค น, นเห็นประจับใจแล้วมันก็พูดได้เองะมันแจ่มมันแจ้งทุกอย่างเช่นสมาธิ ตั้งแต่เริ่มเป็นสมาธิขึ้นมามันก็รู้ชัดๆในเจ้าของจนกระทั่งเป็นสมาธิตายตัวหมดภูมิสมาธิว่ า, างั้นเนถอะคือไม่มีอะไรที่จะให้ก้าวกว่าสมาธิขึ้นไปเหมือนกับน้ำเต็มแก้วอยู่ในนั้นพอจะทำยังไงให้เลยนั้นไม่เลยเนี่ยขั้นของสมาธิเหมือนน้ำเต็มแก้วแล้วพออยู่เท่านั้นอยู่เพียงแค่นั้นปัญญามาเปิดอ ม, มาเปิดปากแก้วให้น้ำไหลออกเลยสิสน้ำสมาธิไหลออกทางปัญญาค่อยๆก้าวไปเรื่อยพิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันเรื่องอริยจังผักของอนตาคคำว่าเกษาร ม, มานักหาทันตาแตจนูนจะเริ่มงานแล้วนะที่นี่ นี่แหละงานที่จะออกจากกองทุกเกษาโลมานาขาทันตาแตโจนี้เป็นงานของของปัญญาเริ่มที่แรกก็เป็นงานของสมถะบริกรรมอนิี้ก่อนพอจากนี้แล้วก็เป็นงานของวิปัสสนาพ่คลายด้วยปัญญาโดยถือเอาสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานแหน่งการพิจารณาเป็นงานพิจารณาเกษาโลมานาขาทันตาแตโจแล้วผสมสร้างเข้าไป ซึมซาบเข้าไปหนังหุ้มห่อโดยรอบออกจากหนังโดยรอบเข้าไปข้างในเป็นยังไง hmm? นั่นมันก็เห็นได้เลยปัญญาขี้กายดูพี่กายดูตามหลักความจริงที่พระเจ้าทรงสอนไม่ไปตามจิเลศว่าเป็นของสวยของงามเพราะเราขี่หาความจริงดูผมงามที่ตรงไหนแหน่เริ่มเห็นแล้วขนและปันหนังงามที่ตรงไหน มีรังสาวรที่ตรงไหนสะอาดสะ้านที่ตรงไหนเริ่มเห็นความจริงแล้วนั่นนี่ละ ง, งานของปัญญาเริ่มคลี่คลายงานเกษาลุมานาขาทันตาตะจูนี้จึะเป็นงานสําคัญสําหรับผู้ที่จะรืพ้พบรื้อชาติรื้อมาตตสงสารงานนี้เป็นงานชิ้นเอกขึ้นนี้เลยเบื้องต้นก็เป็นอารมณ์ของสมถะพอสมถะมีกําลังแล้วก็ สิ่งเหลนี้ก็กลายเป็นเรื่องของปัญญาไปพิจรารณาเรื่องปัญญาที่กายดูจากหนังเข้าไปเนื้อเอ็นก็ดูกเข้าไปตับไตไสู้มินี้แต่เรื่องของสมประปุกสมห ม, มุนเต็มเนื้อเต็มตัวเราก็มาจิตสารปัญนยอตามกิเลสมันหลอกลวงว่าเป็นของหน่วยของงามว่าเป็นเราเป็นของเราติดกันอยู่นั่นติดกันอยู่นั่นอะไรแต่ก็ได้มีแต่จะเสริม มันสกระปรกขนาดไหนก็เอาชะเอาอะไรมาชะมาล้างให้มันสะอาดส่งเสริมปฏิกูลโสโครขนาดไหนก็เอาอะไรมาประมาทรม้าไปให้มีกลิ่นหอมหวนชวนชมนี่จะสิ่งที่ส่งเสริมกิ้เลตทั้งนั้นนี่นเวลาพิจารณาทางความจริงแล้วสิ่งเหล่านี้มันหมดความหมายไป ดูเห็นแต่ดักธรรมชาติอาการสามยี่สองภายในจิตใจของเรานี้ดูพอเห็นนั้นนี้ตามดักความจริงเป็นลําดับตลำดาแล้วอุปทานความยึดมั่นถือมั่นที่หนักอึ้งอยู่ด้วยการยึดถือกายนี่เขค่อยเบาลงเบาลงน่ะปัญญาค่อยซึ้งปัญญาซึ้งความสุขซึ้งไปด้วยกันนะคืออุปทานเบาออกไปเท่าไรความสุขก็ยิ่งซึ้งเข้าไปเรื่อยๆ พิจนาด้วยด้วยเข้าไปนี่ขั้นนี้เป็นขั้นจะออกขั้นสมาธิเป็นขั้นพักงานเป็นขั้นหนุนกำลังปัญญาสั่งสมกำลังเพื่อสมาธิไม่ให้จิตฟุ้งซ่านวุ่นวายไปกับรูปเสียงกลิ่นเครื่องสัมผัสให้อิ่มอารมณ์เหล่านี้แล้วพาทำงานทำงานกับเกสาโรมานาคาทันตาไตรโจ์ตลอดอาการสามที่สองดูในนี่ ดูข้างนอกก็ดูแบบเดียวกันข้างนอกก็เป็นมากข้างในก็เป็นมากดูแบบเดียวกันดูเพื่อถอดเพื่อถอน ด, ดูเพื่อหาความจริงดูเข้าไปโดยลําดับลําดาก็ค่อยซึ้งเข้าไปซึ้งเข้าไปสุดท้ายอุปทานก็หดเข้ามาหดเข้ามาสิ่งอยู่นี้ก็เป็นเหมือนท่อนไม้ท่อนเืนไปแล้วที่นี้ในความรู้สึกแต่ก่อนเป็นเราเต็มตัวเป็นของเราเต็มตัวท่านพิจารณา ความเข้าถึงความจริงมากน้อยเพียงไรสิ่วนี้กลายเป็นขอนสูงไปแล้วขอนสูงหรือถังขยะดังที่เคยพูดนั้นมันไม่เพียงขอนสูงขอนสูงไม่สกปรกอันนี้มันท่อนปฏิพูลถังขยะปฏิพูลโศกโคกนี่มันก็ขยะขแ ย, ยงภายในจิตใ จ, จความขยะขแยงภายในจิตใจด้วยปัญญานี้ทําให้ใจเบาวิวหวิวอุปทานความยึดมั่นถือมั่นถอยออกถอยออกถอยออก ท่านการพิจนารณาเนี่ยราคาตันหาอยู่ตรงนี้นะอยู่ที่กายนี้ราคาตันหาที่พาดีดพาดีนบี้บี้สีไฟโลกให้เดือดร้อนวุ่นวายและสัมและสายจนเหมือนฟ้าดินถลม่มเพราะเอาหน้าแต่งราคาตันหาอันี้มันรุนแรงเนื่องจากไม่มีใครพิจารณามีแต่ความส่งเสริมมันส่งเสริมเท่าไหร่ก็เหมือนกับสายเชือเข้าหาไฟมันก็ไหม้เขไปไหม้เขไปเรื่อย จิตใจมีแต่ความรุ่มร้อนข้าอยู่ที่ไหนก็ประดับหน้าล้านกดมีกิริยาท่าทางอันดีงามยิ้ ม, ยมแย้มแจ่มใสต่อกันแต่ภายในนั้นเป็นไฟไหม้คองแกรบ <c oughs> สุมอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาเพราะกิเลสตัวนี้ทำงานอย่างนั้นทำอย่างอื่นไม่ได้ความโลภก็ทำงานเพื่อโลกเพื่อโลก ค, ความโกรธก็สมอย่างน้อยสม ไม่พอใจในสิ่งใดก็โกรธมันมีแต่ความทุกข์ท้งนั้นมันเป็นไฟด้วยกันราคาตัญหาก็เหมือนกันดีดดิน้นสาะแสวงหาด้วยอำนาจของไฟราคาเนี่ยมันเผาอยู่ไม่ได้ต้องดีดต้องดิน้นสาะแสวงหาทั้งตัวผู้ตัวเมียเป็นบ้ากันไปเพราะไม่ได้เห็นความจริงมันมีแต่ความจอมปลอมทางนั้นออกทางานนี่เวลาพิจารณาเข้าไปชัดเจนเข้าไปเรื่อยๆ อันนี้ก็ค่อยเบาลงเบาลงอุปทานความยึมมั่นถือมั่นเบาลงความเห็นซึ้งภายในร่างกายนี้นับวันซึ้งเข้าไปโดยลำหนับลําลาเนี่ยผู้ที่จะถอดถอนราคาตันหาเพื่อรื้อวตตตัวนี้เป็นตัวรุนแรงตัวสําคัญมากพิจารณาร่างกายก็ก็คือจะตีหัวราคาตันหานณเนียงจะเป็นอะไรไปมันทํางานของมันอยู่นี่ตีเข้าไปตรงนั้นมันก็ถูก ก็มันสว่างกระจ่างแจ้งเห็นชัดเจนตามเป็นจริงแล้วทีนี้อุปทานออกหมดถอนปึงเลยในกายนี้เมื่อถอนปึงป่งในกายเราได้ถอนพึงในกายเขาได้ดูเสียงกินลดเครื่องสัมผัสถอนออกไปพร้อมๆกันกิดการถอนกายเราถอนกายเขาไปพร้อมๆกันไม่ยึดเราไม่ยึดเขาเหมือนกันไม่ติด ในรูปในเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสของเขากับของเราเป็นอันเดียวกันมนันวิ่งประสานกันนี่เราเรียกว่าปัญญาวิ่งไปประสานนี่เข้าไปเข้าไปเรื่อยๆสุดท้ายมันก็หมดเมื่ออุปทานหมดแล้วการพิจารณาร่างกายมันก็หมดประโยคใหญ่หมดประโยคที่จะประสานกั น, ก, นกับเมตนาสัญญาสังขารมีญญาณนี่หมน มีก็มีเล็กๆน้อยๆมีพอเป็นพอเป็นเครื่องประสานสัมผัสกันไปเท่านั้นไม่ใช่เป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆอย่างที่เราเคยพิจารณาแต่ก่อนไม่ได้พิจารณาเป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆเหงื่อกิเลสที่มันมากร อ, อยู่ในร่างกายนี้ออกรูปเสียงกินรดเครื่องสัมผัสพอตีนี้แตกแล้วรูปเสียงกลิ่นรดเครื่องสัมผัสมันก็ไม่เป็นกิเลสมันกลายเป็นหนักธรรมชาติความจริงกันหนึ่งอันหนึ่ง ตาหูจมูกริ้นกายของเรานี่จึงเป็นตั ว, ก, วกิเลสเพราะกิเลสอวิชามันครอบงำอยู่มันก็กลายเป็นหลักความจริงอันหนึ่งอันหนึ่งไปหาดูกิเลสตรงไหนจริงๆในรูปในเสียงในกลิ่นในรสมันไม่มีความโลภมันไม่มีอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสมันมีอยู่ที่หัวใจแน่มาดูตัวของเราเองตาหูจมูกริ้นกาย ว่าเป็นกิเลสมันก็ไม่เป็นตาเป็นตาหูเป็นหูพ้าหลานท่านก็มีสิ่งเหล่านี้ท่านมันไม่เป็นกิเลสเนี่ยไล่เข้ามาไล่เข้ามาตาหูจมูกลิ้นกายเข้ามาไม่ดูว่าอะไรเป็นกิเลสอะไรเป็นกิเลสอะไรเป็นราคะตัณหามันไม่มีตาไม่เป็นราคะตัณหา หูจมูกลิ้นกายไม่เป็นราคาตันหามันเป็นอยู่ที่ใจอย่างเดียวเนี่ยมันไล่เข้าไปต้อนเข้าไปนั่นนั่นแหละที่ว่าเราเหมือนเราเราตากแหนมองไปไหนมันก็ไม่เห็นชัดเจนพเพราะแห่มันตากกลางเอาไว้พอดึงจอมแห่เข้ามาดึงเข้ามาดึงเข้ามานี่ก็ไล่ต้อนกิเลสเข้ามาแบบเดียวกันเข้ามาเข้ามาเป็นก้อนเนี่ย เป็นก้อนแหแล้วกองแหแล้วอันนี้พ่อไล่ิเลี่ยต้อนออกมาจากรูปเสียงกลิ่นด้วยเครื่องสวัสด์ออกมาไล่ต้อนออกมาจากตาหมหูจมูกเลี้ยงกายเหล่านี้แล้วมันก็เข้าไปเป็นก้อนคือก้อนความรู้ก้อน ว, วิชารวมตัวไม่มีที่หากินถูกตีถูกต้อนไปหมดทุกอย่างแล้วด้วยปัญญาด้วยปัญญานี่แหละอันเนี้ยสําคัญอย่างนั้นพิจารณาอย่างนั้นดี ปัญญานี่จะหมุนตัวเป็นเดียว ม, มาตั้งแต่ขั้นร่างกายอสุภะอสุพังนะเป็นอปัจฉติปัญญาตโนมัติเรียกว่าภาวนามยปัญญาหมุนมาเลยเพราะจะนั่นจิงฆ่ากิเลสได้ปัญญาประเภทนี้เป็นปัญญาที่ฆ่ากิเลสโดยตรงเรื่อยเลื่อยหมุนเข้าไปหมุนเข้าไปแต่ปัญญ า, าคลาฆ่าทันหานี่รุนแรงหากเป็นโดยหลักธรรมชาติของตัวเองการพิจารณาเหมือนฝ้าดินถล่ม พิจารณาร่างกายตัวเองนี้จะพิจารณาเรื่องอะไรก็ตามเมื่อเกี่ยวกับราคาแล้วจะรุนแรงั้งนั้นพ อ, อันนี้ผ่านไปแล้วสิ้นสุดยุติกันไปแล้วปัญญาครั น, นี้ก็ยุติตัวเองโดยหลักธรรมชาติไม่ต้องบีบบังคับอะไรเลยก็้กลายไปเป็นปัญญาน้ำซับน้ำสึมไหลลินอยู่ทั้งแรงทั้งผลประสานกันทั้งร่างกายประสานกันทั้งเวทนาสัญญาสังขามีน ญ, ญาณไล่ตอนเข้าสู่จิต ไล่ตอนเข้าสู่จิตอสุดท้ายก็ไปรวมอยู่ที่จิตแห่งเดียวเวทนาเกิดก็รู้มันก็ดับเวทนาไม่ใช่กิเลสเนี่มันไล่เข้าไปอย่างนั้นนะชั้นญญาไม่ใช่กิเลสสังขารไม่ใช่กิเลสวิญญาณไม่ใช่กิเลสกิเลสแต่แทมอะคืออันนี้เป็นเครื่องมือของกิเลสทางเดินของกิเลสต่างหากเนี่ยอันไล่เข้าไปจนกราทั่งถึงจิตมันกิเลสมันอยู่ที่จิตเนี่ยอันนั้ น, นที่นี่นี่ยที่รวม สติปัญญาจะรวมตัวเขานั่นหมดไม่ไปที่ไหนได้ให้พิจารณาอะไรไม่ยอมเพราไล่เข้าไปแล้วเข้าไปจูดจุดรวมแล้วนั่นะท่านเรียกว่าอาวิชารวมตัวไม่ได้แตกขแขนงไปทางตาหูจมูกเล้ยกายรูปเสียงกลิ่นรสสร้างไปทั่วแดนโลกธาตุเหมือนแต่ก่อนแล้วแต่ก่อนเป็นบริวารของมันหมดมันเที่ยวหากินครอบโลกธาตุอวิชชา พอถูกไล่ต้อนเข้ามาด้วยปัญญาแล้วมันก็ไหลเข้าไปไห ล, เ ข, ไหลเข้าไปมันจะถึงจุดยุติของมันะจะถึงจุดสุดที่นิ่งซากของอวิชชาของภพของชาติไหลเข้าไปไหลเข้าไปเข้าไปสู่จุด น, นั้นจิตกับอวิชชาเป็นอันเดียวกันคือมันกลืนอวิชชาอาวิชชากลืนจิตเอาไว้ไม่มองเห็นจิตเลยจะใหเห็นตั้งแต่อวิชชาอย่างเดียวซะ ง, ง่าพาเผยเป็นแดนอัจฉ ร, รย์อยู่ที่นั่นหมด นี่แหละจึงว่ากิเลสตัวนี้ละเอียดมากเราจะเห็นว่ากิเลสตัวใดละเอียดเลยอืมแล้ววาดภาพมันเป็นเสือโคร่งเสือเหลืองเสือดาวเป็นยักษ์เป็นผีเป็นมารเวลาไปเจอกันแล้วโอ้ยตัวกล่อมที่สุดคือตัวนี้กล่อมขั้นสุดท้ายยอดสมุทัยยอดกิเลสก็คือวิชาเพราะฉะนั้นจึงแสดงลวดลายเต็มที่แม่หาเสือสีหมาปัญญาก็ยัง หลงกนมันจนได้แต่หลงไม่นานเพราะคําว่ามาสีมาปัญญาย่อมไม่นอนใจพิจารณาจาะเข้าไปมันไม่มีอะไรพิจารณาแล้วนี่แต่ว่าสังขารวิญญาณนี่มันกระพับเกิดพับดับพร้อมดับพร้อมเป็นกิริยาของจิตเท่านั้นเป็นกิริยาของจิตเดชที่มาแสดงีเฉยๆจิตเดชจริงๆอยู่ในใจแน่มันก็อยู่ในใจอยู่ในใจนั่ น, น, นไล่เข้าไปตรงนั้น พอถือจุดมันแล้วมันก็อิ่มตัวได้เหมือนกันความเลือดความเลอของอวิชชานี่มันก็อิ่มตัวได้เหมือนกันอิ่มตัวด้วยปัญญาพิจารณาแล้วมันก็เห็นความเคลื่อนไหวของกันและกันจนได้จนได้สุดท้ายก็จอบปึง่งเข้าไปตรงนั้นเห็นว่าสิ่งนี้เป็นภยัยเห็นว่าสิ่งนี้ควรพิจารณาเห็นว่าสิ่งนี้เป็นอะไร สิ่งนั่นเป็นอย่างนั้นเอี่ยงนี้เห็นมาหมดแล้วรู้มาหมดแล้วแต่อันนี้เป็นอะไรนั่นจ่อแล้วจ่อเป้าหมายแล้วว่าพิจารณาด้วยปัญญาจอเข้าไปนั่งอวิยชาก็พังสลายนี่อริยชาพังสลายจิตไม่มีอะไรเป็นเครื่องหุ้มห่อแล้วเป็นยังไงที่นี่นั่นละจิต ด, ดวงประเสริฐเดินเลยถึงขนาดที่ว่ามาเห็นอวิยชาเป็นกองขี้ควายต่างกันมากไม้มพิจารณา กองขี่ควายนี่แหละมันกล่อมสัตว์โลกมันกล่อมนักภาวนาของเราถึงขั้นนี้แล้วต้องติดแต่ก่อนเนี่ยมันอ้อยเองิงมันสง่าผ่าเผยพูดไม่ถูกเพลงของวิชานี้แหลมคมมากจริงๆเพลงสุดท้ายแหลมคมมากจริงๆแต่มันก็สู้สมหาสติมหาปัญญาไม่ได้ขาดสะ บ, บั้นลงไปแล้วเลยกลับกลายเป็นกองขี้ควายทั้งกองไปแล้วหาน เ็อย่างนั้นน่แหละท่านเห็นโทษกี่เลือท่านเห็นอย่างนั้นนี่นะเห็นด้วยใจเห็นมูลค่าของธรรมก็มันเลยกองขี้ควายไปแล้วนั่นคืออะไร น, นั่นคือธรรมชาติที่พูดไม่ถูกแล้วอาศ จ, จ, จารย์เลยเข็ดเลยแดนเลยสมมุติอะไรไปทั้งสิน้นหาดไม่ถูกถ้าไม่เป็นเป็นแค่อย่างเดียวท่านนจะเป็นสันทิฏิโกประกาศกลางวานขึ้นภายในหาให้สงสยัยทั้งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ ว่าอยู่ในทิดใดแดนใดว่ารวมตัวเป็นธรรมชาติอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่ภายในจิตสงสัยผู้เจ้าที่ไหนหนักมันลงในจุดนี้เองโดยดับธรรมชาติเหนือธรรมะสังหารพบสังหารชาติคือตัวอวิชานี่แหละตัวก่อให้เกิดพบเกิดชาติมันหมุนเวลาเราพิจารณานั่นรู้มันมีเงื่อนต่อเงื่อนต่ออยู่ตรงไหนปติปัญญาติด ต, ตามเข้าไปติดตามเข้าไปขาดจะบ้านจะไปดังที่ว่าเนี่ย รวมเข้าไปจนกระทั่งถึงจุดมันจุนล่างเ่าข้อมูลของความเกิดแก่เก็บตายก็อยู่ที่อวิชชาพอก็ไปพังจะลายรากแก้วมันเสร็จแล้วมันก็หมดนี่มีอะไรมาเป็นเมื่อนต่อของใจไม่มีเพอถูกทำลายหมดแล้วมันก็กลายเป็นอวิชชายะตะเวาวาเซสวิรากานโรธาสังฆ า, านิ โ, โรโตจนกระั่งนิ โ, โรโธโหติ ไม่ไม่มีอะไรเหลือเลยเป็นดับพร้อมกันหมดเลยเนี่พระศาสนาเราพระศาสนาของพระพุทธเจ้าเราประกาศนักพุทนิภนัณฑ์ท่าทายอยู่ตลอดเวลาสำหรับผู้ปฏิบัติหาความจริงแล้วเจอความจริงจนได้เพราะความจำเป็มมันมีมาดั้งเดิมความจริงก็มีมาดั้งเดิมเป็นคู่แข่งคู่เคียงกันมาอย่างนี้ ขอให้ตั้งใจปฏิบัติถือถ้าไม่ตั้งใจแล้วจะจมจริงๆเวลานี้โลกาภิทธิ์มันจเจริญมากนะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นกิเลสทั้งนั้นนี่เวลากินเราเป็นกิเลสสิ่งนี้เป็นกิเลสทั้งนั้นแหะเราอยากดีอกดีใจว่าเราได้สิ่งนั้นได้สิ่งนี้นะเราได้กิเลสนันแหละ พอตัวเราใจเราเป็นกิเลสสิ่งนั้นมากิเลสมันกินเรากินเราให้เป็นเรื่องกิเลสไปตามๆกันหมดนะนี่เราก็ภูมิใจกับสิ่งเหนั้ น, นก็ภูมิใจกับกิเลสไปทำเลยเหอนหนามไปเรื่อยๆตายทิ้งเปล่านะพากันละมัดระวังให้มากบัดนี้ผมยึงไม่เกี่ยวกับเรื่องตายเงินการทองเพราะโทษของมันหนักมากอันนี้ถ้าลงได้อันนี้เกาะติดแล้วตายเลยไม่มีทางออกไม่สนใจจะออกฮะโลกทธรรมะติดนี่ทั้งนั้น เนี่ยโลกามิตรตัวสําคัญจริงๆก็คือตัวนี้เองจึงต้องระมัดระวังทากมีความจําเป็นจร่งเราจะต้องใช้ป่อยมันกระดังที่ปฏิบัติมานี่คอืมมันเป็นมันเราเป็นเราเนี่ยมันไม่ได้ไปฆ่าเ้ากันเอาใช้ในอะไรที่จะเป็นประโยชน์แก่โลกใดบ้างแก่ผู้หนึ่งผู้ใดบ้างหรือเป็นแก่สมาคมใดบ้างทั่วโลกดินแดนเรเอาไปทําให้มันเป็นประโยชน์แค่เท่านั้น คนเราไม่มีอะไรกับมันไม่ติดแนละ้วมันก็เป็นอย่างนั้นมันส บ, บายเหมือนกับฝ่ามือว่าเราไม่มีแผลเอายาพิษมาวางบนฝ่ามือมันก็ไม่เป็นพิษถ้าฝ่ามือมีแผลนั้นเอายาพิษมาวางไม่ได้นะซึมซาบทันทนียาพิษคือี่เดสนั่นแหละมันอยู่ในหัวใจเป็นใจมีแผลสิ่งอะไรเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์ก็เป็นพิษไปกันตามกันหมดะเมืม่อใจไม่มีแผลแล้วมันก็ ไม่มีอะไรเป็นภัยสิ่งในโลกนี้หมดความเป็นภัยตั้งแต่พิเดศขาดสะบั้นลงไปเขื่อนพิเดศอวิชาขาดสะบั้นลงไปนั่นแหละภัยหมดขาดสะบั้นเหมือนกันหมดไม่มีอะไรเข้าไปติดก่อติดต่อเกี่ยวข้องกับจิตของพระอรหันต์ได้เลยเป็นหลักธรรมชาติตั้งแต่ขณะที่บรรลุธรรมปึงขึ้นมาตอนนั้นขาดสะบั้นไปหมดแไม่มีเงื่อนต่อแล้วจากนั้นไปไปก็เป็นอนัอนตตการเที่ยงและนิพานเที่ยง นิเรดมันหมุนมันเยียนไม่พาให้เที่ยงโกรธอันนี้จังทุกขังราตาเข้าไปบีบบังคับในหัวใจหัวใจก็เป็นพูดบอลไปเลยทีพออันนี้ขาดจะบ้านลงไปไม่มีอะไรไปหมุนไปเต็มมันก็เที่ยงอี่อันว่านิพานเที่ยงดูหัวใจแล้วมันกับพอกับนิพานดูนี่แล้วหายสงสัยในนิพานอดูนิพานมันหะไม่หายสงสัยในจิตนะคือดูนิพานดูเรื่องความคาดความหมายนี่ ถ้าดูจิตใจนี่ดูด้วหลักคำจริงที่เป็นขึ้นมาในหัวใจอย่างของแล้วมันก็พอกันแล้วกันกับว่าดูนิพานอยู่ที่ไหนมันก็หายสงสัยหมดเพราะตัวนี้หมดสงหายสงตัวนี้หมดสงสัยแล้วตลาดแห่งเมตุมนิพานก็คือพุทธศาสนาของอระพุทธเจ้าเราถูกทอดทิ้งมานานแสนนานเึมเป็นของเล่นไปไม่หมดเวลานี้เนี่แหลที่ผมโปรดจังเว่เพราะ้านเทศถึงแผดบ้าง เวลาที่ควรแผดวันเด็ดเผ็ดร้อนเข้มข้นเอาว่างเมราะไม่เห็นโทษจริงๆนะชาวภูเ่าจะทํำยังไงยิ่งสลดสังเวทกันไปมันมีทั้งเรื่องของกิเลสเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มหัวใจคนปิยามายาแสดงออกมแม่กิเลสพวกปุมเป็นนักโทษตลอดเวลาหาทำรร ม, มาเยอะแยะเยอะแยะออกมาพอจะเห็นโทษของกิเลตบ้า ง, งนี่มันไม่มีอันนี้ที่น่าสลดสังเวทเท่าแก่มาเท่าไหยิ่งคิดมากถ้าว่าคิด คิดมากกดกระป๋อนเป็นห่วงเป็นย่าสารโลกสงสารม่วม้ามตุ่มเที่ยมเหมือนเต่า เ, เ, เหมือนปลาเหล่านี้นะอืแต่เรานาต่างคนต่างภูมิใจนี่เพราะอะไรความว ม, าม่วง้ามตุ่มเที่ยมก็คือกิเลสพาให้เป็นทําให้เป็นอย่างนั้นความภูมิใจเจ้าของก็คือกิเลสมันพาให้ภูมิใจนั่นอะจะว่าไงมันมีแต่กิเลสทั้งนั้นนะมันไม่มีธรรมเข้าแทรกมันจะไปรู้เนื้อรู้ตัวได้ไงไรมนุษย์เรา ในกรณีว่าอย่างนี้กิเลสมันพอใจเมื่อไหร่เอาว่าง่วงง่ามต้มเที่ยมโง่เงาเจ้าตุนแล้วภูมิใจในความโง่เง่าเจ้าตุนต้งตัวนนี้กิเลสมันพอใจฟังเมื่อไหร่เพราะมันเป็นเรื่องของกิเลสมันต้องคาดค้านทำถ้าแต่เป็นความจริงแล้วเป็นอย่างนั้นแล้วมื่ไงมันจะฉลาดเนี่ยมันมีที่ที่แก้กันหรือมันรู้โทษแล้วนี่มันถึงมังง่วงง่ามต้มเที่ยมวผู้ที่เจ้าง่วงงามต้มเที่ยมอย่างเรานี่เหรอ พระสาวกอรหัตอรหันท่านท่านง่งง้ like าตร้มเตียมอย่างเรานี่เด้อแล้วท่านทรงทำประเภทไดไว้พวกเรานี่ทรงอะไรไว้เอามาเทียบกันปะปะมันก็ดีแต่สิจิตนั่นท่านเทเพื่อแก้ิเลสท่านเทศอย่างนั่นโอ้โพวกเราน like ี่ฟังเพื่อกิเลตสิอันี้มันเข้ากันไม่ได้นะหรืว่าอ่อนใจจริงๆนะโ้โหทจะพูดตามเรื่องความรู้ความเห็นความเป็นของใจนี่โลกพูดนโลกฟังไม่ได้วะพูดจริงๆนะนี่เท่าแก่มาแล้วผมกรเปิดบ้าง ก่อนก็เฉยเหมือนไม่รู้ไม่คิดหูหนวกตาบอดไปอันนี้ก็พูพดพอจะได้รู้ได้เห็นบ้างมีอยู่ก็มันก็อดไม่ได้ก็ต้องแยบออกมาถ้าวันมีแบบเดียวกันหมดก็จะพูดไปอะไรเขาหลับตาแล้วก็หลับตาไปแยบกแคเท่านั้นเองไม่ได้เรื่องในเราอะไรมันเป็นไอซีทั้งหมดมันไม่สนใจกับอยู่กับยากับหมอกับอะไร แต่เรื่องของแสลงนั้นเอาวันยังทำเป็นตายถึงไหนถึงกันนี่เวลานี้ก่เลสภเพนี่แหละมันแบบถึงไหนถึงกันเนี่ยถ้าเป็นธรรมแล้ย่อเยะแย่ๆ้ารทำมาได้ก็มีแต่กเพนีภเพนีเอ๊กี่เดสเขาไปถือบางเหียนไปบีบบางคับให้เป็นทังหมดเกี่ยวนี้ไม่ใี่เรื่องกิเดสธรรมนะเรามองดูแล้วแม่เกเดสมันคัวพันตลอดตลอดตลอดอันนี้ยที่น่าชื่อจริงๆนะเราไม่รู้เหมือนควายตัวหนึ่งควายตัวหนึ่ง นี่ที่อุเฉลก็ไปควบคุมควบคุมควบคุมเวลาขีดมันเปิดออกปัญญามันเปิดออกเอ๊ะมันเห็นกันที่เด็กเอามาพูดเนี่ยไม่เห็นพูดได้เหรือเออเวลามันเปิดออกเออเปิดซะจนหมดไม่มีอะไรเหลื อ, อแล้วทําไมมันจะไม่เต็มหัวใจละ่ะความรู้น่ะมันเต็มหัวใจเลยหนูอยากให้เพื่อนได้รู้ได้เห็นกรรมฐ า, านด้วยกูดด้วนเข้ามากุดด้วนเข้ามานะโลกาเมตุนี่แหละอันหนึ่งสําคัญมากผมนะักวิโตวิจาร ไม่รู้จักวิธีปฏิบัติตัวเองจริงๆแต่แค่วนขดขันกับหมู่กับเพื่อนนิ ม, มนต์ทางไหนก็ไม่ให้ไปเพื่อให้สั่งสมอรรถธรรมตักตวงเอาอรรถธรรมเต็มเม็ดเต็มหน่วยงานการก็ไม่ให้มีจะหาที่ไหนให้ความสะดวกเกี่ยมเพื่อนสูงลูกขี่ลูหาขนาดนี้ไม่อยากคุยสว่างวะ่ะ อ, อะไรๆก็ไม่ยุ่งเลยดูตั้งแต่หัวใจนี่มันเป็นยังไงหัวใจนี่เป็นตัวภัยที่สุดอยู่ที่หัวใจนะ เราอยาเข้าใจว่าอยู่กับดินว้าอากาศว่าแดดดินลงที่ไหนนะไม่มีสามแดนโลกธาตุนี่ไม่มีอะไรเป็นภยัยมีแต่ทีเ่เดือดกับหวัวใจมันบีบบีบีบสีไปกั น, อ ย, นะ น, นยอยู่ตรงนั้นมันเป็นภัยตรงนั้นพุกอยู่ตรงนั้นมหันต์ตะทุกอยู่ตรงนั้นดูลงตรงนั้นสินี่ท่านเห็นนี่เมื่อเห็นนี่แล้วมันก็จ้าเลยคิดดวงเก่านะเวลาถูกทีเ่เดลสปิดบังอยู่มันเป็นอย่างหนึ่งนะพอที่เดลสทังน้งยเหมนแล้วเป็นอีกอย่างหนึ่งนะไม่ไม่เหมือนที่เคยเป็นมาแต่ก่อนนะ นั่นที่พระพุทธเจ้าเวลาโง่ทั้งทัางกับทัางก็มีเวลาท่านฉลาดแหลมคมจริงจนเป็นจอมศาสดาท่านก็มีในพระไทยในใจของท่านเองนั่นใจดวงนั่นแหละพลิกออกมาถึงสว่างก็เหมือนกับเวลากลางคืนเนี่มันเหมือนจะไม่แจ้งไม่สว่างนี่นี่เป็นเวลาของกลางคืนเหมือนิบขึ้นอยู่ในเวลาของกิเลสข้องงำพอจ้าขึ้นตอนเช้าจ้าขึ้นมาก็ มันก็สว่างของมันเองนี่เวลาจิตของเราชำนาญได้กับเจ้าขึ้นมามันก็เป็นจิต ด, ดวงใหม่ขึ้นมาในจิต ด, ดวงเก่านั่นแหละเห็นละขึ้นเห็นหมดอะไรๆเห็นหมดเมื่อวันนี้สนุกดูกิเลสไงว่าถ้าว่าสนุกดูจะสนุกดูยังไงยคนหนึ่งทนทุกข์สนวรนษจะเป็นจะตายไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยเรายังจะไปสนุกดูอยู่หรอนอกจากเมตตาสงสารควรสงเคราะห์ได้อย่างไหก็สงเคราะห์ไป ชันส่งก็ไม่ามาได้ขอจําเป็นจำใจขอให้เรื่องน้ําหูขึ้นนะแดนนิพานนั้นนะเป็นแดนที่ดูดพ้นทุกสิ่งทุกอย่างจากความกดขีบ่บังคับทั้งมวลเอาให้ได้ภายในจิตใจถิ่งวหลนี้ยังโลกเขาอยู่นะะั้นเป็นยังไงเขาอยู่กันยังไงเเราก็อยู่แบบโลกเขาก็มันก็เป็นแบบโลกเขานั่นแหละไม่เห็นมีพิษแปกอะไรกันนี่จะให้ทีเด่มนมาขย้ำข้ามย่ํา ย, ยีหัวใจให้เป็นเพลินเป็นไฟอยู่หัวล้โล้โคลนคิ้วด้วย คล้องผ้าเหลืองด้วยแต่เอาไฟกิเลสมาเผาหัวใจนี้แหมมันเสียเกียรตนะิน่ะให้ธรรมะเป็นตปะธรรมเผากิเลสออกจากหัวใจมันสง่างามเจ้าเจ้าไปที่ไหนเจ้าอยู่ไหนเจ้าหมดอืมพอตัวพอตั ว, อ, ตวอยู่ไหนพอตัวไม่มีอะไรจะามาเพิ่มเติมได้อีกเอาจจะเอาอะไรออกอีกก็ไม่มีนี่ความพอดีคือความพอได้แก่จิตที่บริสุทธิ์หาที่ตำหนิติเตียนไม่ได้ เพิ่มเติมอะไรเลยพอดีพอดีทุกอย่างเลยนั่นแนหะอันนี้แหละโลกไม่มีจิตของโลกไม่มีมีเฉพาะจิตของผู้เที่ยวพระทหารเท่านั้นมีท่านผู้เป็นอย่างนี้มันทุกวันนี้ทางการมันอ่อนลงอ่อนลง อ, อ, อ, อ, อย่างว่าผมไม่เล่นกับอะไรแล้วเกี่ยวข้องกับผู้กับคนผมทนเอาอกจริงๆนะเห็นแต่หัวใจดวงหนึ่งดวงหนึง่ง คนเอายีมากเกี่ยวข้องร่างกายมันมันผ่อนของมันลงไปลงไปทุกอย่าง<ม>เครื่องใช้ไม่ที่ที่เราเคยใช้ามาแต่ก่อนมันสึกมันหลอก็ไปเรื่อยๆ เ, เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยไปในทางลบนะ<ม>เปลี่ยนไปเรื่อ ย, อยถึงวาระมาแล้วมันก็ไปของมัน <c oughs> จะไหวไหมหเราก็ไม่ดีโตจะไปเมื่ อ, อไหร่เราก็พร้อมเสมอ มันไม่ได้มีตกจริงๆนะกับเรื่องความเป็นความต่างเจ้าของมันหมดปัญหาซะขนาดนั้นนะก็ท่าสีดีน้ําลงไฟนี่คลองกันอยนี่ใจมาอาศัยอยู่นี่เวลานี่ก็เพียงอาศัยกันเท่านั้นนะแต่ว่าถือเป็นเราเป็นของเรามันไม่ถือก็บอกว่าไม่ถือจะว่าไงเนี่ยแต่เวลามันถือก็บอกว่ามันถืออยนี้มันไม่ถือก็บอกไม่ถืออาศัยกันไปช่วยรลยะการมีความสืบต่อระหว่างกิจกับขันใช้งานได้เครื่องมือยังพอใช้ได้ก็ใช้กันไป ไปถึงาวาฬหรือสลดัดพวกลเหยอนั้นต่อห่วงอะไรพิจารณาจหมดแล้วจะเอาอะไรมาห่วงอีกเราะว่าครอบแดนโลกธาตุพิจารณาหมดรวมลงในหัวใจดวงเดียวเป็นผู้รู้รอบขอบท้นหมดแล้วจะสงสัยอะไรอีกพอใจกับอะไรอีกนั่นึเป็นอย่างนั้นแ้่มันเห็นในใจเลย เเห็นแล้วมันหมดละปัญหาทุกอย่างไม่มีเหลือละขาดสะ บ, บั้นลงไปหมดคืนก็นอนไม่หลับนะอนกอกมได้มีงไงคืนจังครมคืนแล้สองหนทุกคืนนะตอนสามทุ่มนี้ก็ออกมาสักทีหนึง่งตอนหกทุ่มวิ่ตีหนึ่งออกมาอีกทีอ น, นอนไม่ค่อยหลับนะ ตีสองหรือตีหนึ่งหลับบางคืนตีหนึ่งหลับงคืนตีสองหลับหลับนี่เดียวตั้งมันกระพองมันนไม่ใช่ว่าหลับน้อยมันไม่พอนะมันก็รู้ตัวของมันรู้ท่าในในท่าในขันว่ามันพอไม่ไม่เห็นมีหิหวยอะไรคือเวลาเรานอนไม่พรอนเราก็รู้ตั้งแต่เป็นหนุ่มนะมันนี้นอนน้อยไปเรื่องท่าเรื่องขันรู้สึกวิวแวววิวแววไม่ค่อย นอนพอดีพอยิ้มก็รู้นอนมากไปมันก็รู้มันหนัก่วงทวงตัวไปหมดนอนมากไปแานอนน้อยไปมันเป็นลักษณะวิวแวววิวแววในตัวของเรานอนพอดีอย่างที่พักนอนทุกวันนสีชั่วโมงอะพอดีผมตั้งจะประกอบความเพลียนมันไม่เคลื่อนไหวนะพอห้าทุ่มนี่ปกตินะถ้าเวลาเร่งความเพลียนมันขึ้นหาสมุด ระหว่างมหาสมุทรกับธรรมะฟัดกันนั้นมันนั้นมันไม่มีเวลาอะไรเนี่ยบางทีแจ้งแต่ธรรมดาธรรมดาทะเลไม่มีคลื่นแล้วงั้นถือกิเลสธรรมดาธรรมะธรรมดาแล้วห้าทุ่มนอนตีสามตื่นปุ๊บตื่นปุ๊บไม่ตื่นนะั้นในช่วงนี้มันแปลกอยู่นะท่ากันตื่นทีเดียวลุกเลยลุกเลยเลยมันพึกหัดกันยังไงก็ไม่รู้นะ หรือธากันมันก็พร้อมมันก็พอกลางวันถ้าอย่าง้ากับภาคมัง่งเพรอะนี่ขึ้นมาก็พอแล้วนั่งภาวนาจากนั้นก็ลงทานยังกรมเรื่องนอนไม่ได้ห่วงมั น, นมันจะเป็นต่ตายจริงค่อยนอนมันห่วงทำต่างหากเวลาเท่าแก่มานี่เอาแล้วที่ น, นอนไม่หลับกลางวันนี้ไม่ค่อยหลับนะ ผมนอนไม่เห็นมันหลับทั้งวันวันไหนก็ดีถ้าจะาหลับก็ยิบแนบไปแค่สิบนาทีมันก็ตื่นของมันแค่อย่างนั้นแหละกลางคืนก็หลับเป็นชั่วโมงตื่นแล้วตื่นแล้วมันตั้งใจนอนอีกแั้วเดี๋ยวหลับไปอีกเดี๋ยวตื่นอยู่นั่นแหละมันเป็นของมันเองแล้วก็ไม่ติดวิการมันห่วงใยมันอะไรนะ ดูตามความจริงของมันนี่มันเป็นสแสดงความจริงอันหนึ่งในธาตในขันของเราเราก็ดูตามสภาพของมันถึงวาระมันจะไปแล้วมันก็ไปสะดวกสบายไม่เห็นมีอะไรจึิงเคยพูดให้หมูพื่อนฟังถึงเรื่องการเป็นการตายของเราใครจะมายุ่งนะ้าพูดจริงๆนะถึงวาระว่ายาให้หยุดให้หยุดจริงๆนะยาเอามาฝืน เราเคยได้ผูนพ่อแม่ฮูจานมันเราเห็นโทษเหลือเกินเวลาจิบมันผ่านเข้าไปนี่ให้รู้เรื่องรู้ราวในสิ่งแบบนี้แล้วโธ่เราก็เป็นเจตนาหนึ่งก็ว่าเจตนาที่บริสุทธิ์นีเจตนาบริสุทธิ์ของคนมีกิเลสกับเจตนาบริสุทธิ์ของผู้สิ้นกิเลสมันตา่างกันนะสิของท่านสิ้นกิเลสเนี่ยของเราไม่สิ้นกิเลสเจตนามันจะจะเอาบริสุทธิ์มาจากไหนอ๋อตรงนั่นก็ผิดตรงนี้ก็ผิดคอยรู้เรื่องนะ ในเวาลาเราจำเป็นเรื่องอยู่เรื่องยาไม่ว่าหยุดในยะาเอามายุ่งนะคือมันรู้ในตัวเองแลเรียบร้อยแล้วถาาขันนี่จะไม่รับแล้วไม่เอาไหนแล้วปล่อยมาต้องเนื้อต้องกายอย่างนี้ไม่ให้มาต้องถ้าอยู่ธรรมดาเงียบต่างคนต่างเงียบต่างสังหมถ้าดยตายก็หมูกับเพื่อนนะเราจะทำหน้าที่ตายของเราเพียงทาที่ปล่อยขันเท่านั้นไม่เห็นมีภาระอะไรวะอืม พิจารณาไปตามสภาพความจริงมียังไงในเวลานั้นกับพิจารณาถึงเวาลาแล้วก็สลัดวู้ไปเลย น, นี่ร่างกายมันจะดิดจะดินเลยมูเพื่อนจะมากังวลกับผมคือร่างกายนี้เป็นได้วิบากขันบางองค์ตายไม่สงบ้าตขันดิดดิดด น, กก น, นกระตุกนั่นกระตุกนี่มันนับเป็นน้มันเลยแยลธาตุขันเรื่องจิตนั้นจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ว่างั้นเลย จิตขอให้จิตบริสุทธิ์สักอย่างเดียวเท่านั้นเป็นอย่างอื่นอย่างใดไปไม่ได้ถึงนั่งกายมันจะเป็นแบบไหนก็เป็นตึกมันเป็นเรื่องของขันดี ด, ดิ้นแต่ตามสมมุตินิยมของขันเท่านั้น่ะเรื่องจิตที่จะให้พิเพียงเปลีป่ยนแปลงไปตามขันนั้นเป็นไปไมาได้เรียกว่าอากุปะทีเดียวพอหาความกำลัเลือกและหาความเป็นอื่นไปไม่ได้แล้วนั่นเพราะท่านจึงไม่เชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์ที่ว่าพระอรหันต์บางองค์ท่านดืนนิพานางองค์นั่งนิพานนอนนิพานเดินนิพาน ท่านจะทไม่ได้ยังไงพรามันคนละอันจริงๆเป็นหลักธรรมชาติเหมือนน้ําคนในคลองนี่คนเราฝั่งจริงๆมันไม่ใช่ฝั่งเดียวกันทางโน่นฝั่งโน่ทนทางนี้ฝั่งนี้นี่ฝั่งโลกนี่ฝั่งธรรมนะนี่ฝั่งสมมุตินี่ฝั่งมิมุติน่ะมันจะเอาเข้ามาประสานกันได้อย่างไงไม่ประสานมันรู้ชัดๆอย่างนั้นทีในหัวใจเราจะสงสัยอะไรว่าตายก็ว่าไปตามกิริยของโลกไม่เห็นมีตัววิจารณ์มั้งล่ะ ไม่เป็นจีนยาของอันนี้มันมารวมตัวเป็นส่วนผสมแล้วมันก็สลายของมันออกไปธรมรมดาธรมรมดาทัดขันเรานี้มันก็ไม่รู้เรื่องจิตมีแต่จิตเป็นผู้รู้เขาจิตไม่สําคัญมันหมายไม่ไปยึดแค่เขาแคอย่างเดียวจะมีอะไรอืมเขาไม่รู้เรื่องของเราอยู่แล้วนี่มันก็มีเท่านั้นถือว่าก่อนตายที่เท่าแก่มาตลอดยิ่งเป็นห่วงหมู่เพื่อนมากเขาไปโดยลําดับลําดามันน่าห่วงจะทําไง โอ้กิเลสนี้มันเป็นภัยจริงๆนะภัยมหันตภัยมหันตทุกดูกับกิเลสนี้มดผมไม่ไม่มีที่ทำนี่ตรงไหนมีกิเลสแห่งเดียวเท่านั้นหัวใจนี่ลงอย่างมงถึงนั่นไหนะความสุขทุกข์เดือดร้อนวุวาของโลกนี้ลงในกิเลสแห่งเดียวอันเดียวอันเดียวมึนเห็นได้ชาติเวลาฟาดกิเลสมันทังไปแล้วไม่เห็นมีอะไรนั่นโอ้คงนั่นที่มายันกัน เมื่อกี้เด็ดมันทางไปจากใจหมดแล้วไม่เห็นมีอะไรมาแสดงดินเป็นดินน้าเป็นน้ําลมไปดมไ ป, ไปร้อนเป็นร้อนหนาวเป็นหนาวเขก็เป็นธรรมดาของเขาไม่เห็นมา ก, กวนใจแต่กิเลสนี่กวนจริงมีมากมีน้อยกวนหัวใจกวนหัวใจนี่ยสําคัญมากอันนี้กวนมากจริงๆบีบมากจริงๆโทษมันอยู่ที่นี่บอกเกิดจางความทุกข์มันก็อยู่ที่ความเกิดแก่เก็บตาย มันก็อยู่ที่จิตนี้อวิชาปัญจญจาสร้างข้าราชี่อยู่ที่ตรงนี้ตรงนี้บากันภ้ร์ใจเอาเท่านั้นละพอพูดเท่านั้น